สละชีวิตบูชาธรรมวินัยมีผู้กราบเรียนถามว่าในกรณีที่พระเดินทุดงในป่าไปเห็นผลไม้ไม่มีผู้ประเคนจะเก็บผลไม้นั้นฉันได้หรือไม่หลวงพ่อตอบว่าด้วยประการใดถ้าไม่มีผู้หยิบยื่นให้มันผิดวินัยทั้งนั้นถ้าหากว่าพระไม่เคร่งวินัย เขาก็ยอมสละวินัยเพื่อเก็บผ ล, ลไม้กินถ้าหากว่าเคร่งวินัยแล้วฉันยอมตายเหมือนเหมือนกับสมัยที่หลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรคอาจารย์หลวงพ่อเองขนยารากไม้ใส่เหล้ามาจะมาให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อบอกว่าเป็นพระเดชพระคุณที่ครูบาอาจารย์เมตตาสงสารแต่ไม่บางอาจที่จะลุล่วงเกินพระวินัยขอสละชีวิตเพื่อบูชาพระวินัยเพราะฉะนั้น พระที่หย่อนวินัยเนี่ยเขาจะสละวินัยเพื่อชีวิตของเขาถ้าพระเคร่งวินัยท่านจะยอมสละชีวิตของท่านเพื่อบูชาวินัยบารมีธรรมสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่อาจารย์เคยเล่าให้ฟัง ท่านขึ้นไปบนภูเขาแถวแถ ว, วัดอาจารย์วันนี่แหละเขตนี้เขาเรียกว่าถ้ำพระในถ้ำนั้นมีพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปทองพระพุทธรูปที่เขาหล่อเขาปั้นและเอาทองเป็นแผ่นๆหุ้มท่านขึ้นไปไหว้พระท่านไปเห็นพระธุ ด, ดงกรรมฐานนอนตายอยู่ที่พลานหินบาทตั้งเอาไว้ทางด้านศีรษะและผ้าคล้องของท่านก็วางอยู่ร่างกายของท่านห่มจีวร ถ้านอนสีหาสายญาติแต่ว่ากระดูกหลุดออกจากกันแล้วโดยไม่มีใครไปพบทีนี้อาจารย์เลยพาหมูหาฟืนหาอะไรมาทำชาปนากิจศพแล้วเก็บกระดูกท่านไปบรรจุไว้ในถ้ำนั่นเรียกว่าท่านยอมตายเมื่อก่อนนี้มันมีแต่ป่าช้างดงเสือทั้งนั้นแล้วทีนี้พระตายทำไมสัตว์ไม่ไปกินก็เพราะบารมีของท่าน อย่างน้อยก็อีแรงอีกาก็จะต้องมาจิกกินอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติแต่ว่ากระดูกหลุดออกจากกันเป็นท่อนอนๆสมมาาัักกบพรรระฐน สมณศักดิ์ไม่มีความหมายสำหรับพระทุดงกรรมฐานแต่ในเมื่อเวลาเข้าไปในที่ราชการเช่นที่จะต้องใช้พัดยศไปตามลำดับตามยศใครสูงใครต่ำกว่ากันถ้าหากสมมุติว่าพระเถระที่เป็นนั่งอยู่ในงานราชพิธีพระน้อยๆยหนุ่มๆนุมเขายศสูงกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อต้องไปนั่งปลายแถวแต่ว่าถ้าไม่ใช้พัดยศแล้วเขาก็ไม่ถือ อันนี้มันเป็นธรรมเนียมของพวกเจ้าทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันอย่างนั้นการแต่งตั้งให้พระมียศมีศักดิ์ก็เป็นสิ่งที่น่าปลาบลืมยินดีแต่ก็ไม่ควรตื่นโบราณท่านว่ายศช้างขุนนางพระช้างเนี่ยตั้งให้เป็นพระยาฉัดทันแต่งต <inizi> ัว <McG> ให้เป็นพระยาช้างช้างมันก็รู้สึกว่ามันเป็นช้างอยู่นั่นแหละพระเจ้าพระสงฆ์ใครจะแต่งตั้งให้เป็นอะไร ในความรู้สึกก็คือผู้เก่าพระสงฆ์องค์เก่านั่นแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง